สวัสดีท่านพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่บันนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในหัวข้อชีวิตพระเยซูตอนที่แปดนะครับในตอนที่แปดนี้เรากําลังจะพูดถึงเบื้องหลังทางประวัติศาสตร์ซึ่งได้ปรากฏอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่สามข้อที่หนึ่งและข้อที่สองนะครับผมขอทบทวนความรู้ที่เราเคยรับรู้มาตั้งแต่ชั้นเรียนระวีคําเทศนาและ ในหลายๆที่หลายๆแห่งเกี่ยวกับพระกิจคุณทั้งสีเล่มครับพระกิติคุณทั้งสีเล่มก็คือมัทธิวมารโกลูกาและยอันนั้นได้บันทึกเกี่ยวกับพระชนชีพของพระเยซูและการบันทึกนี้ก็ผสมผสานกลมกลืนกันเป็นเรื่องเดียวทำให้เราเห็นภาพพระเยซูชัดเจนครับเหมือนกับได้แต่ละเส้นที่ถักทอเข้าด้วยกันเพื่อที่เราทั้งหลายจะได้เห็นชัดเจนภาพของอ ง, องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา พระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูชาวนาซาเลตพี่น้องครับมีคนหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในพระธรรมลูกกานะครับก็คือยอนยอญนคนนี้เป็นยอนที่มีคําสอท้ายว่าผู้ให้รับบัพติศมาหรือที่เรียกสั้นๆว่ายอญเดอะบัพิสต์ยอนคนนี้เป็นบุตรของเสคริยาครับเสคริยาและแม่ของยอนก็ชื่อว่าเอเลสาเบต ยอนผู้ให้บัพติศมาหรือยอนเดอะเบบทิสนี้เขาเป็นลูกพี่ลูกน้องของพระเยซูเขาเกิดก่อนพระเยซูประมาณหกเดือนครับคนคนนี้เป็นคนที่ผู้เผยโรชนะในพระกัมภีร์เดิมได้พยากรไว้ถึงเขาประมาณสี่ร้อยปีได้พูดถึงยอนผู้นี้ผู้ให้บัพติศมาว่าเขานั้นเป็นทูต ที่จัดเตรียมหนทางไว้ล่วงหน้าสำหรับพระเยซูคำพยากรณ์นี้บันทึกอยู่ในพระธรรมมาลาคีนะครับบทที่สามข้อที่หนึ่งผมอยากให้พี่น้องฟังพระเจ้าจอมโยธาสัตว่าดูเถิดเราส่งชูดของเราไปเพื่อตเตรียมหนทางไว้ข้างหน้าเราและพระเจ้าผู้ซึ่งเจ้าแสวงหานั้นจะเสด็จมายังพระวิหารของพระองค์อย่างกระทันหัน ทูธแห่งพันธสัญญา ผ, ผู้ซึ่งเจ้าพอใจนั้นดูเถิดท่านกำลังมาแล้วนะครับคาว่าทูดของเราไปเพื่อตระเตรียมหนทางไว้ข้างหน้าเราตรงนี้พูดถึงพระเจ้าจอมโยธาพูดนะครับพระเจ้าจะส่งทูดของเราไปและทูดคนนั้นคือยอนเดอแบปติสต์ครับและเราที่นี้ก็คือพระเจ้าเราที่นี้ ก็หมายถึงองค์พระเยซูคริสพี่น้องครับเราจะเห็นว่ายอนั้นได้ถูกกําหนดไว้ล่วงหน้าล่วงหน้าโดยคําพยากรณ์ทำให้เรารู้ว่าล่วงหน้าถึงประมาณ400ปีทีเดียวจากตรงนี้นี่เองทําให้เรารู้นะครับว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานั้นเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าที่อยู่ในคําพยากรณ์เช่นเดียวกันเป็นคําสัญญาเกี่ยวกับพระมาสีหาที่จะเสด็จมาในโลกนี้ ก่อนที่พระมาสีหาจะเสดจมาในโลกนี้นั้นต้องมีผู้นําทางหรือทูตที่มากรยทางทรมันคาของพระเจ้าให้ตรงเพื่อที่พระเยซูนั้นจะได้เสด็จมาในโลกนี้อย่างมีสง่าราศีคําว่าสง่าราศีนั้นไม่ได้หมายความว่าพระเยซูตําต้อยแล้วไร้สง่าราศีนะครับพระเยซูยากจนแล้วไร้สง่าราศีไม่ใช่ครับแต่สง่าราศีนั้นก็คือการที่อยู่ในหน้าพระทย และพระประสงค์เป้าหมายขององค์ผู้เป็นเจ้าอย่างเต็มที่เต็มขนาดนี่คือสง่าราศีครับเพราะฉะนั้นการดำรงชีวิตของพระเยซูนั้นแม้ว่าพระองค์จะยากจนแม้ว่าพระองค์จะมีไม่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่คนที่ร่ารวยมีในขณะเดียวกันครับพระเยซูไม่ได้ทรงแต่งงานพระเยซูเข้าใจถึงความเจ็บปวด เข้าใจถึงความเจ็บไข้พระเยซูอยู่ใกล้ชิดกับคนที่เดือดร้อนคนที่เหน็ดเหนื่อยคนที่หิวกระหายคนที่เจ็บป่วยเจ็บปวดทั้งกายและใจเพราะนั้นครับคนเหล่านี้พระเยซูเข้าใจเขาโรงชงห่วงใยเขาในขณะเดียวกันเราหันกลับมาดูชีวิตของพระเยซูและจอร์เด็บบัติสเขาทั้งสองคนนั้นกับเป็น พ, นพี่น้องเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน นะครับยอนเดบิทิสนคุณพ่อของเขาก็คือเซคาเริยและแม่ของเขาชื่อว่าเอลิซาเบตเกิดก่อนพระเยซูประมาณหกเดือนครับพี่น้องครับเมื่อกี้ผมได้อ่านไปแล้วนะครับผมจะไม่เล่าซ้ำอีกแต่ว่ายอนเดบิทิสน์นเป็นผู้ที่ลูการได้บันทึกไว้นะครับเรากลับมาดูการบันทึกของลูการครับเราพบว่าลูการนั้น เล่าเรื่องการเกิดของยอห์นเดอะแบปทิสต์เล่าเรื่องทูสวรรค์กาเบรียนได้แจ้งข่าวการประสูติของของพระเยซูให้กับมารีมารีและเอลิซาเบธซึ่งเป็นมารดาของยอห์นเดอะแบปทิสต์นั้นได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันถึงสามเดือนก่อนยอห์นจะเกิดลูกาเล่าถึงการประสูติของพระเยซูนะครับคนเลี้ยงแกะได้มาถวายมาเฝ้าพระกุมาร น, นะครับการ ถวายพระกุมารที่พระวิหารตอนที่พระกุมารอายุแปดวันและเมื่อพระเยซูมีพระชนมายุ 12, สิบสองพรรษาพระเยซูเสร็จไปที่พระวิหารหลังจากนั้นลู ก, กาก็ไม่ได้เล่าต่อระหว่างที่พระเยซูอายุตั้งแต่สิบสองถึงสามสิบปีลูกากระโดดมาเริ่มเล่ากล่าวถึงการเทศนาของยอนผู้ให้บัพติศมานี้ซึ่งเป็นผู้จัดเตรียมหนทางสาหรับพระเยซู พี่น้องครับหากเรามาดูในพระธรรมยอห์นเราจะเห็นนะครับว่าเบื้องหลังทางบวชศาสตร์การที่พระธรรมพระธรรมลูกานะครับพระธรรมลูกาได้อ้างอิงเกี่ยวกับยอห์นกับแบปทิสต์ท่านได้กล่าวไว้ในบทที่สามครับแต่ถ้าเราดูในบทที่สามข้อที่หนึ่งและข้อที่สองนั้นเราจะพบว่าลูกาเท่านั้นได้พยายามที่จะเสาะหารายละเอียดอย่างถี่ถ้วน และรวบรวมข้อมูลนี้เปรียบเทียบกับประวัติศาสตร์ของโลกประวสาสของโลกท่านได้อ้างอิงว่าเป็นปีที่15แห่งรัชกาลที่เบเรียสซีซาซึ่งที่เบเรียสซีซ่านี้เป็นโอรสบุญธรรมของออกัสซัสซีซาจักรพัฒน์โรมในช่วงที่พระเยซูและยอนเกิดปอนทิอัสปีลาดเป็นเจ้าเมืองอยดธยเฮโรดเป็นเจ้าเมืองกาลิลี เฮโรดผู้นี้แหละครับเป็นบุตรของเฮโรดมหาราชซึ่งในพระธรรมมัทธิวบทที่สองข้อที่หนึ่งได้กล่าวว่าเฮโรดมหาราชองค์นี้เป็นองค์ที่สั่งให้ฆ่าเด็กชายทุกคนตั้งแต่อายุสองขวบลงไปพี่น้องครับเฮโรดเป็นเจ้าเมืองกาลิลีนะครับคอนเทสปีราตเป็นเจ้าเมืองยูเดียนะครับมีสองคนครับฟิลิปน้องชายของเฮโรดเป็นเจ้าเมืองอิธูเรียและเมืองจาโคดีคัสและลิเชเนีย เป็นเจ้าเมืองอาบิเลนซึ่งอยู่แถวแถวภูเขาเลบานอนนะครับทางตะวันออกเฉียงเหนือของดามัสกัสก็คือแถวแถวซีเรียที่นี่นะครับมีผู้ปกครองถึงสี่คนด้วยกันครับซึ่งปกครองแถบปาเลสไตน์นะครับซีเรียก็คือเป็นบริเวณที่เกี่ยวข้องกับองค์พระเยซูคริสต์ทั้งสิ้นครับสี่องค์นี้นะครับเขาเรียกว่า t ท t r a ต t ์เท็ตหมายถึงว่าเจ้าสี่องค์นะครับหรือผู้ครอบครองสี่องค์ ที่ครอบครองนะครับแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนเป็นผู้ครอบครองหนึ่งในสี่ของอาณาจักรที่ได้รับมอบหมายทำให้เรารู้นะครับว่าโรมนั้นยังปกครองปาเลสไตน์อยู่เช่นเดียวกันในสมัยที่พระเยซูปร ะ, ประสูตินะครับในข้อที่สองครับได้พูดถึงผู้นำศาสนาสองคนก็คืออันนัสกับขยาฟาสครับอันนัสกับขยาฟาสันใกล้ชิดกับเจ้าเมืองของโรมนะครับ เขาทั้งสองนั้นเป็นมหาปุโรหิตแห่งพวิหารปีเตอร์ถูกตัดสินภาคษาในบ้านคายฟาสนะครับในตอนต่อมาตอนที่ปีเตอูใกล้จะสิ้นพระชนแล้วนันนะครับก็คือผู้นําศาสนาสองคนเพียงครับในวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปกครองการเมืองนะครับทางรัฐศาสตร์รัฐศาสตร์และทางศาสนานะครับก็จะมีมหาปุโรหิตซึ่งเป็นผู้ที่ปกครองนี่คือเบื้องหลังทางประวัติศาสตร์ ของยิวนะครับหรือชนชาติอิสราเอลในสมัยของพระเยซูเขาตกเป็นทาสเพียงครับในวันพรุ่งนี้เราจะต่อนะครับว่าการเมืองการปกครองของโรมและส่งผลต่ออิสราเอลเป็นอย่างไรขอพระเจ้าอวยพรในวันนี้อาเมน